เป็นงบ้างพี่ชัดใจรันฝันฝันฝันฝันฝันฝันฝันนัััน แอปโกชในการศึกษาศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนมีคําอยู่คำหนึ่งเรียกว่าวิพัฒชวิธีวิพัฒ ช, ชะพอพอสมเผาไม่หาจากชอชา้ามีครับแปลว่าแยกเราจะแยกอย่างเรามีความรู้สึกว่าร่างกายจิตใจอันนี้คือตัวเราเพราะมันเป็นตัวเราแล้วเราก็อยากให้มันมีความสุขตลอดอยากให้มันไม่ทุกข์ตลอดพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวเราจริงไหม วิธีจะดูวิธีที่ท่านสอนคือจับมันแยกนดูเหมือนเราจะศึกษาว่ารถดนต์มีไหมแล้วจับมันแยกเป็นอะไรเป็นชิ้นชิ้นดูงั้นจะแยกระหว่างรูปกระนามหรือขันห้านั่นเองกายกักยกบใจจับแยกกันเราดูมี่การจะแยกดูเนี่ไม่ใช่เรื่องคิดเอาท่านจะ ต, ต้องให้ประจักษ์เห็นตัวสภาวะจริงๆ เพราฉะนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยของตัววิปัสสนาแท้ๆเนี่ยมันจะเริ่มต้นตรงที่การแยกรูปนามหรือแยกขันห้าออกเป็นส่วนๆนี่คือวิธีศึกษาของศาสนาพุทธเป็นไม่ศึกษาอะไรเป็นก้อนๆเปนีนยวแต่จะมองว่าปรากฏการณ์อันหนึ่งยอย่างความเป็นคนหนึ่งคน เ, นเป็นปรากฏการณ์หนึ่งชิ้นของธรรมชาติประกอบด้วยองค์ประกอบที่หลากหลาย องค์ประกอบแต่ละตัวที่มารวมกันอยู่เนี้ย้วนแต่เคลื่อนไหวทั้งหมดเพราะฉะนั้นในตัวที่เป็นผลผลิตของส่วนประกอบทั้งหลายเนี่ยจะคงที่อยู่ตลอดไปไมนได้นี้ท่านจะสอนให้เราเป็นกระทั้งเราไปเห็นความเป็นจริงอันนี้ด้วยตัวของเราเองมีการจะแยกรูปแยกนามที่แยกขันห้าในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีอุบายมีวิธีปฏิบัติหลากหลายในแต่ละสำนัก บางสำนักเขาดูท้องผ่องท้องยุคก็จะเห็นรูปรูปเหมือนท้องรูปเหมือนยุบเนี่ยแตจิเป็นคนรู้นามนามมาทําเป็นคนรู้การท้องการยุคบางสำนักเขาดูอิริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเขาจะเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนรูปรูปส่วนรูปนามาธรรมที่ไปรู้รูปนี่ก็อยู่ต่างหากแยกจับแยกต่นงแรกยุแยกรูปแยกนามของวัดป่าก็ทําแบบเดียวกัน มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ก็คือการจับแยกนั่นเองแยกผู้รู้ก็คือตัวจิตสิ่งที่ถูกรู้ก็ได้แก่ตัวรูปแล้วก็ตัวเจตสิกส่วนที่ประกอบกก่จิตเึ่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายในวัตถาติายามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็มีทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมจะจับแยกกัน เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติเลยจะไม่ต้องทะเลาะกันนีอยู่ที่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติจริงเนผู้ปฏิบัติสามารถแยกรูปนามได้ตามความเป็นจริงไหมวิธีที่ขัดขวางสิ่งที่ขัดขวางการที่เราจะมาแยกรูปนามตามความเป็นจริงได้ตัวแรกเลยคือการที่เราไปคิดเอาการคิดเนี่ยคิดยังไงก็จะไม่เห็นของจริง <c oughs> เพราะคิดเราได้แค่ความคิด อีกตัวหนึ่งที่ถัดขวางมากๆคือการนั่งเชื่งออกนั่งจองนั่งควบคุมนั่งบังคับการไปค่อยควบคุมการบังคับการเชื่งทำทุกอย่างให้หยุดนิ่งมันไม่ใช่การที่จะไปเฝ้ารู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีนักปฏิบัติอย่างนี้ครูบาอาจารย์พากําหนดลมหายใจก็กําหนดไป บางคนครูบาจารย์พาเดินงกลมยกเท้ า, ายั่งเท้าหรือท้องผ่องของยกบก็ทำกันไปไม่รู้ว่าทําอะไรเพื่ออะไรก็มีปัญหาเยอะนี่ถ้าทาแล้วเอาสติแนบเข้าในอารมณ์มันเดียวก็เป็นสมถะนะแต่ถ้าทําเพื่อจําแนกแยกขันออกไปมันจะเริ่มเดินนิพพาสนาได้นี่อย่างวัดป่าเนี่ยท่านก็มีแท็กติกต้องเรียกว่าแท็กติกไม่ใช่หลักการ แทคนิกของท่านคือพุโทโธก่อพุโทโธพุโทโธแล้วค่อยๆสังเกตเพราพุโทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตที่รู้พุโทโธเนี่ยอยู่ต่างหากนี่ก็คือการหันแยกแยกอาจิตออกมาก่อน <c oughs> พอท่านแยกได้แนละ้วก็เห็นว่าพุโทโธ ถ, ถูกรู้ไปจากนั้นเนี่ยจิตแจงท่านเริ่มสงบท่านก็จะเห็นอีกความสงบนี้ก็ถูกรู้อีกถ้า ไ, ไปรู้เจตสิกแหละความสุขความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้ จิตที่เป็นธรรมชาติรู้ก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกันต่อมาร่างกายท่านเคลื่อนไหวท่านบินธบัดท่านเดินโรงกลมทํานั่งสมาธิยืนเดินนั่งนอนก็เห็นว่าร่างกายเนี้ยก็ถูกรู้อีกร่างกายเป็นธาตุเป็นขันทรูกรู้อีกอะไรๆก็มีแต่ของที่ถูกรู้การแยกผู้รู้กับแยกสิ่งที่ถูกรู้เขาก็จริงก็คือการหัดแยกจิตเจตสิกรูปหรือแยกขันธ์ห้านั่นเอง นี้พอแยกมากเข้ามากเข้าก็จะเห็นว่าตัวรูปหรือตัวเจตสิกหรือตัวจิตนี่เป็นของที่เกิดดับในคงที่อย่างร่างกายเราหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกดื่มน้ําไปก็ต้องไปมีเหงื่อออกมีส้วะออกอะไรนี่ร่างกายไม่คงที่นั่งอยู่ก็นั่งไม่ได้นานนั่งเราเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยา บ, บทความทุกข์ตามบิบคั้นร่างกายให้อยู่นิ่งๆอยู่คงที่ไม่ได้ ในทาง Phoenix, ใ จ, ใจิตใจความสุขความทุกข์ก็ไม่คงที่กระทบอารมณ์ที่ดีที่ชอบใจก็เกิดความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบต้องเกิดความทุกข์ตัวอารมณ์นั้นเราก็ห้ามไม่ได้อย่างเราจะเลือกเห็นเฉพาะคนที่เราชอบก็ไม่ได้ทีเราก็เห็นคนที่เราเกลียดหรืออย่างเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยบางทีไม่ทันไรก็เกลียดแล้ไปห้ามมันก็ไม่ได้เห็นบางคนได้ชอบเป็นพิเศษก็ห้ามมันไม่ได้ งั้นตัวอารมณ์เป็นสิ่งที่ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ <c oughs> ในทางตาําราท่านถือว่าเป็นผลของวิบากถ้าเราทํากุศลวิบากมาดีมีกุศลวิบากอยู่เราทําดีมีกุศลวิบากเราก็จะได้เห็นรูปที่ชอบใจได้ยินเสียงที่ชอบใจได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกในสิ่งที่ชอบถ้าเรามีอากรุศลวิบากให้ผลเราก็จะได้สิ่งตรงข้าม งั้ตัวสิ่งที่มากระทบเนี่ยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ท่านถึงไม่ได้สอนให้ห้ามมันหรือไปเปลี่ยนแปลงมันท่านให้เรียนรู้ไปเรื่อยๆตาเรามีอยู่เนี่ยตามันเห็นนะ่ะรูปดีก็เห็นรูปร้ายก็เห็นบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่การเลือกอารมณ์ในการปฏิบัติไม่ใช่ไปเลือกเฟ้นอารมณ์ว่าฉันจะเอาแต่อารมณ์มนี้ไม่เอาอารมณ์มันี้แต่ว่าในทุกๆอารมณ์ที่เรากระทบเข้ามาเราจะทํากรรมใหม่ลนะนี่ย จิตของเราจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้เวลาเรากระทบระดมถ้าเราฝึกมีสติฝึกไม่ชัญงาฝึกไปเรื่อยเรืยเวลากระทบแล้วแทนที่จะพลิกเป็นอกุศลมันจะพิกเป็นกุศลบ่อยๆ อ, อย่างแต่เดิมเราเห็นคนตัวนี้เราก็เกลียดเกลียดแล้วเกลียดเลยอย่างนี้เป็นอกุศลเลยแต่อมาไปเห็นเ้าอีกก็ยังเกลียดอีกแต่เกลียดแล้วเราเห็นว่าจิตกําลังเกลียดเราเห็นนามธรรมามันเกิดขึ้นมาคือความเกลียดเป็นนามธรรมันนึงปรากฏขึ้นมา ไม่ใช่ตัวตนอะไรบังคับไม่ได้เนี่ยปัญญามันเกิดแทนที่ว่าเ ก, เกลียดเฉยๆกับใจเป็นว่าได้ปัญญาขึ้นมา ต, ตัวนี้เป็นกูสนชั้นเลิศเลยในที่สุดแล้วก็จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันมีเหตุมันก็เกิดใครเลือกมันไม่ได้หรอกหมดเหตุมันก็ดับไปไปรักษามันไว้ก็ไม่ได้ก็จะเห็นในความเป็นจริงว่าอ๋อไอ้ขันห้าที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ย เกิดจากเหตุให้เห็นดับมันสดับไม่มีตัวมีตนจริงจริงการเห็นว่าไม่มีตัวตนจริงๆริงต้องดูลงไปเลยอย่างพอเรามีความรู้สึกตัวแล้วเรามองร่างกายเราจะเห็นมันเหมือนวัดถูกก้อนหนึ่งเห็นอะไรก้อนหนึ่งที่มันกระดุกกระดิกได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เราขาดสติแล้วดูลงไปที่ก็เป็นตัวเราขึ้นมาความรู้สึกก็เหมือนกันถ้าเราดูไม่ทันเราก็รู้สึกว่าจิตของเราสุขจิตของเราทุกข์ แื่ถ้าเราดูทันมีสติปัญญาทันเราก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์เป็นของสุกรู้เป็นอาคันตุ ก, กะที่แตลกปลอมมาเป็นคราวๆเหมือนกันดีชั่วก็แปลกปลอมมาจิตก็ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวจิตไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นอีกความทุกข์ก็ไม่มีเ <c oughs> งั้นหลักการย่อยๆของการศึกษาศาสนาพุทธก็ ค, คือการจับแยกองค์ประกอบเป็นวิธีของพุทธ แยกจับแยกอะไรเห็นอะไรสักอย่างก็จับแยกเข้าไปแต่แยกโดยกันต้องไปประจักษ์ในตัวสภาวะไม่ใช่ในความคิดอย่างท้าป่าท่านแยกกายอย่างเราแยกทีแรกแยกรูปแยกน้มแยกร่างกายกับจิตกายนี่ท่านก็ไม่แยกต่อกายประกอบด้วยอาการศามสิบสองผมก็ไม่ใช่คน ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่คนสักชิ้นหนึ่งไม่มีคนอยู่ในนั้นมีเบื้องต้นบางทีท่านใช้ความคิดก่อนพอคิดแล้วก็จิตมีสมาธิมีกําลังพอจิตมันเห็นของมันเองจิตมันเดินของมันเองนั่นก็เป็นอีกพิธีหนึ่งอย่างที่อาตมาทําจะไม่ได้ไปแยกกายแต่ว่าจะแยกจิต ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดก็แยกไปเลยรู้อันนี้ถูกรู้หมดมีแต่ของสุกรู้ในที่สุดก็เห็นสุขทุกข์ดีชัว่วไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนเป็นลงอันเดียวกันคือสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรามีห้าอย่างขอดออกไปซะดึงจิตออกที่เหลือมันก็ไม่เป็นตัวตนดูลงไปในรูปรูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาทั้งขัน ไปแยกออกจากจิตแต่และอย่างเป็นของถูกรู้หมดสี่ขันแรกก็ไม่เป็นตัวตนในฉับพลันที่เรารู้สึกตัวหรือตแต้จิตเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดูมีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ยมีเราเป็นนักปฏิบัติอยู่คนร่างกายไม่ใช่เราแล้วความรู้สึกต่างๆไม่ใช่เราแต่ว่ามีเราเป็นคนดูอยู่ฝึกมากข้าวมากข้าววันหนึ่งที่ความคิดของเราขาดกับความเป็นตัวเราของจิตใจก็จะไม่มี ความเป็นตัวเราของจิตนี่เกิดจากความคิดเท่านั้นเองเนื้นวิธีปฏิบัติเนี่ยหลากหลายแต่หลักการแล้วมันก็คือหลักการของการจําแนกรูปนามขันห้านั่นเองถ้าเราเข้าใจเรื่องรูปนามขันห้าแล้วมันก็จะตอบคําถามทางศาสนาคุณได้ยอะ อย่างบางคนสงสัยว่าพระละหันนิพพานแล้วไปไหนสูญไปหรือเปล่าหรือว่ายังมีอยู่พระสารีบุตรเคยถามพระองค์หนึ่งชื่อพายะมกกะว่าพระละหันนิพพานแล้วไปไหนล่ะท่านทดลองดูทดสอบดูว่าจะเข้าใจบอกถ้ามีคนถามท่านว่าพระละหันนิพพานแล้วไปไหนท่านจะตอบว่ายังไง พญามากะท่าตอบว่าผมจะตอบอย่างนี้ว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปหมายความว่าท่านไม่เห็นว่ามีพระอรหันต์แล้วตั้งแต่เริ่มต้นขันห้ามาประกอบกันขึ้นมาแล้วขันห้าก็ดับไปเพราะฉะั้นไม่มีปัญหาว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนก็ไม่มีพระอรหันต์ตั้งแต่แรกแมันจะข้ามพ้นความคิดสุดโตง่งระหว่าง ตายแล้วเกิดตายแล้วสูญหรือนิพกานแล้วสูญไปเลยหรือนิพกานแล้วยังเหลืออยู่ถ้าเข้าใจตรงตัวขันห้ามก็จะไม่มีคนอยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วงั้นมันก็ไม่มีคนเกิดคนตายมีแต่ขัดมารวมกันแล้วก็จ่ายรวมแล้วก็จ่ายออกไปถ้าเข้าใจธรรมชาติตรงนี้พอเราหมดความยึดถือว่านี่เป็นตัวเรามันจะนิพกานหรือไม่นิพกานไม่สําคัญแะ ที่มันสําคัญขึ้นมาเพราะมันยังเป็นตัวเราเราอยากปฏิบัติให้มันดีมิพูดแล้วบางทีฟังแล้วเหมือนเยอะที่ชาติชายอย่าไปกลัวอย่าตกใจจริงๆนิดเดียวเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราไม่เปลือเท่านั้นนะใจเราอย่าไหลไปอย่าลืมตัวอย่าเปลือกไปอย่าเปลอยาว เดี๋ยนี้รู้สึกตัวได้ดีขึ้นแล้วนะรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยสติปัญญามันจะทํางานได้แต่ถ้าเราลืมตัวเราก็จะไหลไปในความคิดจะได้แต่ความคิดไม่เห็นความจริงแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นแล้วความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปนะร่างกายเคลื่อนไหวไปส่วนนึงใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวมัก็แยกส่วนกัน พอเรารู้สึกตัวได้เนี่ยขันมันเริ่มกระจายตัวออกเพราะฉนถ้าอย่างรู้สึกตัวไม่ได้ก็จะเห็นขันนัน่งร ว, วมเป็นก้อนเดียวขันห้ารวมเป็นก้อนเดียวกันหมดเป็นตัวเราขึ้นมาพอรู้สึกตัวได้เราจะเริ่มเห็นมันกระจายนนี้ที่ชาติชายเห็นไหมใช่ไหมร่างกายเหมือนก้อนอะไรก้อนหนึ่งที่มันขึ้นไหลไปได้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเหมือนอะไรอย่างหนึ่งที่ผ่านมาเราก็ผ่านไปเราจะเริ่มเห็น เห็นมากเข้ามากเข้าวันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงมันยอมรับความจริงเพราะมันยอมจำนนกับข้อเท็จจริงมันเห็นน่ะเห็นซ้ำซ้ำเห็นทุกวันซ้ำซ้ำในที่สุดมันยอมรับว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยดับพันนั้นน่ะก็คือการบรรลุโสดาปฏิปมะโสดาปฏิผลคนที่ว่าเป็นพระโสดาโสดาก็คือคนที่ไปรู้ความจริงยว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นดับหมดเลย ช่วยขันห้าที่กระจายออกไปแต่ละขันเนี่มันเกิดดับให้เราดูได้แต่ถ้าเป็นตัวเราทั้งตัวทั้งก้อนอย่างนี้ดูเกิดดับไม่ออกมันก็ไอ้ต้องไอ้คนนี้แหละมันยืนอยู่เดี๋ยวมันก็เดินไปทางโน้นไอ้คนเก่ามันเดินมีตัวมีตนถาวรแต่ท่านพอมีสติสบายชัญญะดูดูลงไปเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวล่ะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวผ่านเข้ามาผ่านออกไปไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่จิตใจของเราเั้นหัวใจสาคัญของการปฏิบัติอยู่ตรงที่เราต้องมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ก็จะเห็นการห้ากราใจาออกไปรู้สึกตัวไม่ได้ก็เหลือหนึ่งคือเหลือตัวกูนะนะั่นแหละเข้าใจไหมไปดูเอาแล้วเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟัง ศาสนาพุทธเป็นาศาสตร์ที่ลึกมากเลยฟังยังไงก็ไม่ได้เลือกแต่ก็ต้องอาศัยการฟังเพราะเร า, าศรัสรูเองไม่ได้ฟังเสร็จเราก็ต้องไปนั่งดูเอาแยกรูปนามเอาจะเห็นรูปนามของตัวเองจริงๆถึงจะรู้ว่าไม่มีตัวตนจริงๆการปฏิบัติมันไม่ใช่เหมือนอย่างว่า ต้องทำงานชิ้นสำคัญทำโปรเจกต์อันนี้ก่อนทำโปรเจกต์เสร็จถึงจะได้กำไราการปฏิบัติไม่ได้ลำ บ, บากขนาดนั้นหรือไม่ใช่ว่าต้องทุกขทรมานไปนานๆแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วมีความสุขไม่ใช่ทันทีที่รู้สึกตัวก็เริ่มมีความสุขได้แล้วทันทีที่จิตใจไม่ถูกอารมณ์ครอบงำก็เริ่มเป็นสุขเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีความสุขมีความโปร่งมีความเบามากขึ้นมากขึ้น งั้นการมีสติสัมปชัญญะนี่ให้ความสุขตั้งแต่ปัจจุบันเลยทําทุกวันก็มีความสุขไปเรื่อยๆทาแล้วมีความสุขไหมหรือทําแล้วมีความทุกข์ถ้าทำแล้วรู้สึกโทกข์ทกทุกวันเลยนะต้องทําผิดนะที่ทําผิดก็คือเกิดความโลภเกิดตัญหาอยากปฏิบัติ อยากปฏิบัติก็พยายามบังคับใจตัวเองอย่างนี้นอย่างนี้อย่างนี้นก็ทุกข์แหละแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวไม่เผลอไม่หลงไปความทุกข์มันเกิดไม่ได้ปฏิบัติแล้วความทุกข์เกิดไม่ได้นะไม่ใช่ปฏิบัตบนะิแล้วดับทุกข์นะความทุกขนะ์มันไม่ต้องดับมันหมดเหตุมันดับของมันเอง ตามเขาไปนะเหมือนพี่ช่าชายนั่งอยู่ในบ้านเห็นรถขยะหารหน้าบ้านก็อย่าวิ่งตามรถขยะไปนะเห็นรถขายดอกไม้วิ่งมาก็อย่า ว, วิ่งตามเขาไปนั่งดูสบายๆถ้ามันเกิดสนใจว่าเอ๊ะขยะวันนี้ทำไมเหม็นเป็นพิเศษอยากรู้อยากดูออกไปดูอ๋อวันนี้ไม่ใช่ขยะธรรมดาล้วไปเก็บศพมาเราก็ไม่วิ่งตามแต่รู้เรื่องรองก็ถอยกลับมาบ้านเข้าบ้าน ไม่คิดดูว่าอารมณ์อะไรเป็น้าเราไม่ไม่เด่คิดล่วงหน้าไม่ต้องรอไม่ต้องรอตรงเนี้เคล็ดรับเลยนะถ้าเมื่อไรเรารอจะดูเนี่ยเราจะอึดอัดเราจะเครียดแล้วคือนั่งจ้องแล้วครับพร้อมแล้วอะไรจะมาฉันจะคอยดูฉันจ้องจ้องไว้เครงเครียดเราไม่ได้จ้องรอไว้ก่อน แต่อะไรปรากฏขึ้นมาเราตามรู้ตามเห็นไปคำว่าห้ารู้เร็วเท่าที่ทําได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดหรอกได้ได้สติเรายังไม่นั่งอยู่ คือแนวทางปฏิบัติมันมีสองแนวสมถะยานนี้พวกที่ทําฌานก่อนพวกนี้ผู้รู้จะเด็ดจะแยกอารมณ์กับจิตได้ชัดคงกลิบเลยอีกพวกหนึ่งพวกวิปัสสนาญาณนี้ดูเกิดดับไปเลยแล้วพวกนี้จะแยกผู้รู้ขึ้นมาไม่ชัดแต่ไม่ต้องตกใจลงที่เดียวกันได้ขอให้เห็นว่าอารมณ์มันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับนะมีคนหนึ่งแอบดูอยู่แต่เราปิดไม่ต้องไปจ้องใส่ผู้ดู บางคนไปผิดไปนั่งจ้องผู้ดูไว้ผู้รู้ไปจ้องผู้รู้ตัวนี้ผิดเด็กเส้นเครียด อ, อ, อย่างเราเห็นความพอใจเกิดขึ้นมาเห็นมันดับไปแค่นี้พอละไม่ต้องไปจับว่าไอ้นี่ถูกรู้อันนี้ผู้รู้ไม่ต้องแยกแต่ละคนจะหลิดไม่เหมือนกัน เรียนได้เร็วเหมือนกันมันมีความสุขสิทำไมถึงมีความสุขรู้ไหมเพราะจิตที่เราใช้เจริญสติเนี่ยมันเรียกว่ามหากูุสุรจิตจิตที่เป็นกุสลจิตกุศรจิตเนี่ยมีเวทนาสองอย่างเท่านั้นคือสมนัตเวทนามีความสุขกับอุเบกขาเวทนาความเป็นกลาง ถ้นะาเไรปฏิบัติแล้วอืดอัดแน่แนๆผิดแล้วแน่นอักูสนแล้วกูสนตัวนั้นเกิดอย่างงค่ะมีความโลกขึ้นมารู้ที่ใจเราอย่าเป็นขรมเป็นเอาแต่ความสุขนะ ดูให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งได้ก็ดีดูใจเราใจเราเป็นกลางหรือใจเราพอใจนะดูให้ถึงจิตถึงใจการปฏิบัติเนี่ยพยายามทวนเข้าให้ถึงจิตถึงใจให้ได้นันได้จิตได้ใจคือได้แก่นสารของการปฏิบัติอย่างเรามีความสุขเรารู้ว่าสุขแนละ้วใจกับความสุขยังครุบกันอยู่ความสุขยังครอบงาจิตอยู่ก็คือหลงนั่นแหละแต่หลงดีหลงมีความสุข ให้ฝึกไปทีแรกเห็นมีความสุขเอาสุขก็สุขแหละดูไปเรื่อยๆว่าความสุขมันไม่ใช่จิตหรอกมันถูกรู้จิตที่ไปรู้ความสุขนีเน้เป็นกลางเป็นกลางหรือว่าถ้าไม่ฉลาดก็จิตจะไปหลงจินดีกับความสุขก็มีสองคำว่าเมือม่อวันหรือเมื่อวันตื่นก็มีคนหนึ่งมาบอกว่านั่งภาวนาไปได้ยินเสียงแ ว, แว่วๆในหูเสียงพูดเสียงอะไรอย่างี้ อาจารย์บอกให้ฟังไปเรื่อยๆฟังไปจนกระทั่งมันเกิดดับน้นไม่รู้หลักปฏิบัติเลยนิมิตไม่ใช่ของจริงเราไม่ไปดูเกิดดับที่ของไม่จริงให้ดูเข้าไปที่ใจของเราอย่างาอได้ยินเสียงแว่วๆหรือมองเห็นอะไรต่ออะไรขึ้นมานดูที่ใจไม่ใช่ไปดูที่รูปที่เสียงนั้นนั้น อย่างใจเราได้ยินเสียงแววแวแวใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกังวลจะรู้ลงไปเลยตื่นเต้นหรือกังวลหรือกลัวหรือสงสัยอะไเกิดขึ้นรู้รงที่ใจแต่อันนี้มีมีสภาวธรรมมีปรมาทธรรมรองรับได้ยินเสียงแววแวๆมาเข้าหูเนี่ยจิตมันหลอนขึ้นมามันไม่มีสภาวะรองรับนจะไปดูไตรลักษณ์ให้เกิดดับไม่เกิดหรอกยิ่งไปตั้งใจฟังนยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้น เพราฉะนั้นเวลาไปรู้อะไรเนี่ยถ้ามีกําลังพอถ้าขวรเข้าหาจิตแต่อย่าจงใจทํานะจงใจรีบร้อนเจ็บเข้าหาจิตเนี่ยกลายเป็นละโมบโลบมากเลยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตทุกอย่างลดเลื่นแต่ของสุขรู้คือเราจะไม่ไปเพ่งใส่จิตที่ชาติยาต้องระวังตรงนักปฏิบัติเข้าไปเพ่งใส่จิต พวกที่ดูจิตอยู่ๆก็เพ่งจิตเข้าไปเฉยๆปฏิบัติแล้วต้องมีความสุขนะ <c oughs> ไม่ใช่ปฏิบัติเพ่งเรื่อง ที่เห็นญาติโยมมานะั้นไม่อยากบอกเหมือนกันไม่บอกก็สงสารบอกไปก็ก่อสัตรูเดี๋ยวครูบาอาจารย์เขาโมโหจนใหญไปติดสมถะเกือบทั้งหมด ขนาดพยายามไปกำหนดรูปนามเป็นสมถะเลยก็อะไรมันจิตมันเป็นแบบไหนรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคือจิต แต่สายออกไปรู้ว่าแต่สายออกไปจิตแม่แต่สายตั้งมั่นอะไรปรากฏสักไตรู้สักตเหต็นก็รู้ว่าสักแต่รู้สักแต่เห็นรู้ทันตามที่มันเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าควรจะเป็นอย่างไรคนมีที่มองมองก็เขาจะ ม, มาถาว่าเราพยายามนอนมาหรือยังนะ คือเราปล่อยตามธรรมชาติเลยตาเราเห็นรูปเราก็ไม่ได้เลือกจะเห็นรูปอะไรมันเห็นของมันเองตาเราเห็นรูปแล้วจิตเรายินดียินร้ายเรารู้ทันเลยแต่ว่าเราไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่จิตถ้าอยู่ๆเราไปนั่งจ้องจิตไหมพอตากระทบรูปเนี่ยใจจะทื่อๆไม่มีความยินดียินรายทื่อๆเฉยๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้ ว่าเรายังไม่สามารถจะบอกว่ า, าน้อมจะตัด ไ, ได้เราต้องน้ม้ามคือเราคำว่าน้อมเข้ามาหมายถึงว่าไม่ไหลออกไปนะไม่ไหลออกไ ป, ไปตาตตเห็นรูปปุ<ฮ>๊บใจไหลไปที่รูปรู้ทันแต่อย่าดึงคืนนะถ้าพี่ชาชายไปดึงคืนมาเมื่อไหรจะแน่นเต็มหนะ้าอกเลยบางคนปฏิบัติแล้วแน่นแน่นนี่เพราะว่าภริโสงออกนอกเนี่ยไปดึงคืนมา แต่ถ้าเรารู้ว่าออกนอกก็ไม่ดึงคืนหรอกจิตที่ออกนอกมันเป็นอกุศลจิตที่รู้ว่าออกนอกนี่เกิดกุศลตัวใหม่นะตัวนั้นไม่ใช่ตัวเกับตัวนั้นเป็นอดีตโยนมันทิ้งไปเลยก็รู้ตัวขึ้นมาเฉยๆรู้ไปตามธรรมชาติตรงที่รู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยสาคัญมากมันไม่เข้าไปแทรกแซงจิตอย่างไปนั่งจ้องจิตอยู่ก็ไม่ดีจองไว้ให้กระดิกเลย ในเกด ใ, ใจเราหนีใต่ล้วนีไปคิดง่ายๆแค่นี้ยี่เผลอไปเรารู้เผลอไปเรารู้ที่ฝึกแค่นี้พอจะมากล้ารับรองแล้วขอไม่ง่ายยากเกดแต่ว่าเราไม่ได้เรียกร้องเลว่าต้องตลอดเวลา ถ้าตรงที่เรารู้สึกยากเพราะเราเรียกร้องตัวเองสูงวม่จะต้องได้ตลอดจะรู้ตลอดเนี่ยเราเรียกร้องตัวเองสูงเกินกว่าความเป็นจริงแต่คนที่รู้ตลอดมีแต่พร้ า, ารหันไม่เผลอของเราต้องเผลอถ้าเราคิดว่าธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้แหละเราต้องการรู้ว่าธรรมชาติจริงๆของเราเป็นอย่างไรไม่ต้องการดัดแปลงงั้นี่ถ้าจะไม่รู้สึกว่ายาก ที่เรารู้สึกว่าทายากเพราะเราไปคาดหวังสูงคาดหวังว่าจะต้องไม่เสือกต้องเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเาันก็มีผู้สอคนมานรถไฟกองหมายท่นอยู่ว่ามันคาดคอดเขาหาจุดที่ใช่ใช่ถ้าเป็นเพราะ คือท่านจะมองแบบไหนก็ได้ท่านจะปล่อยให้ผ่านก็ได้ท่านสนใจนนนนคอนเทนเส่ก็คอนเทนต์เรเพราะว่าท่าสมุดอยู่ันมันตกเป็นอดีต ก, ดก็คิดนึกปรุงแต่งต่อไปมีเวลาใช่ใช่อย่างที่เทียมว่านั่งอยู่แล้วมองหน้าต่างรถที่กำลังวิ่งเนี่ย สภาพภายในก็คล้ายกันที่ชาาิชายดูออกไหมมีอารมณ์ไหลไปเรื่อยๆแล้วเราไปสะดุดจับมาดูเป็นช่วงๆอาการเหมือนๆกันช่วงไหนที่เราไปเผลอสะดุดถ้าุวกเกิดเวลาแล้วอันนี้เผลอมาหนึ่งชั่วโมง2องชั่วโมงถ้าไม่เผลอเลยไม่มีเวลา เผลอได้แต่ไม่ยาวจะสั้นลงสั้นลงตัวนี้เป็นตัววัดว่าปฏิบัติของเราเก้าวหน้าไหมถ้าปฏิบัติก้าวห น, าน้าเนี่ยเราจะเผลอสั้นลงสั้นลงวันหนึ่งก็จะเผลอเยอะขึ้นเยอะขึ้นแตเดิมเผลอวันละครั้งพอปฏิบัติเก่งก็เผลอชั่วโมงหนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งทําไปสบายๆนะเคล็ดลับ เค็ดลับอยู่ที่ทำสบายๆถ้าเราเรียกร้องตัวเองสูงห้ามเผลอเลด็เครียดเครียดแน่นอนเพราะว่าเป็นการเรียกร้องที่ทำไม่ได้จริงถ้าเราไม่คิดมากแล้วก็รู้สึกไปอาตมาไปเรียนจากหลวงปู่ดูลีกลับมาทีแรกไปขอกรรมาฐานอยากปฏิบัติหลวงพ่อให้ดูจิตตัวเอง ได้ยินคำว่าดูจิตแล้วโยนคำว่าปฏิบัติจริงเลยเอ๊ะเรามีหน้าที่อันเดียวน้าที่ดูมันไปไม่ได้คิดว่ากำลังปฏิบัติอยู่เขาไม่คิดว่าปฏิบัติอยู่ก็ไม่ได้คิดว่าผลงานมันจะเป็นยังไงถ้าเราคิดว่าเราจะทำงานอะไรเราก็หวังผลแต่ถ้าเราบอกเอเราอยากดูเฉยๆว่าเขาทำงานยังไงนั้นเข้ารู้ไปไม่ได้คาดหวังว่าผลจะเป็นยังไงง่าย พ, พี่สังเกตดีเดียเผลอเรารู้เผลอเรารู้นะเอาคานั้นนะหน้าอื่นมันเป็นเองเลยอันนี้เวลาลรู้ดรกนตอลอา <c oughs> อย่างนั้นก็ดีเป็นเขาเรียกว่าเรื่องจด ก, ก, กไม่ไม่เป็นไรญญนะมันก็เป็นสังคารู้สติสังขารู้สติก็คือการนึกถึงพระสงฆ์แล้วทำให้เกิดสติ บางคนก็คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็วเกิดสติบางคนนึกถึงฝีนหรือนึกถึงคนดีๆนึกถึงที่เรียกว่าเจวานานุสตินึกถึงคนดีนึกถึงได้หลวงอะไรเงี้ยจริงจริงก็ชีวิตเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นยังไง คือแต่ตอนี่ลองอมือลงมือแค่นั้นแค่นั้นเรารู้ทันคือเราไม่ได้ทำไปด้วยกันหลงไปตามแรงขับของกิเลสแต่ว่าเรารู้ทันกาที่สังเกตในการรู้ทันเนี่ยมันทำให้เราไม่ทำบาปใช่ใช่อันนี้เน่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพอมีสติสัมปชัญญะมันเกิดจีริโอตัปปะ ละอายและกลัวบาปเกิดอินทรีย์สังวรตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดนะคอยมีสติแล้วศีลมันเกิดเองศีลไม่ต้องขอใครลนะ้วเป็นศีลอัตโนมัติเกิดจากการมีสติแล้วใจของเราก็เริ่มตั้งมัน่นใจที่ตั้งมั่นนั่นแหละคือสัมมาสมาธิพอใจเราตั้งมัน่นเราไม่หลงไปไม่เผลอไปเราก็เห็นร่างกายเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวไป นีการเห็นตามความเป็นจริงก็จะเห็นอ๋อไม่ใช่ตัวเราหรอกในที่สุดใจก็ปล่อยวาง ส, สุดท้ายปลายทางของการปฏิบัติก็คือการที่จิตมันปล่อยวางนั่นเองวางความยึดถือในขันห้าก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเราแค่ปฏิบัติเบื้องต้นเราก็เริ่มมีความสุขแหละจิตใจก็เริ่มเบาเบาไปเพราะว่าเราแบกน้อยลงน้อยลงแตเดิมใจเราแอ บ, บไปแบก แอบแบกทั้งวันเลยเครียดได้ทุกวันเครียดไปเรื่อยๆพอเราหัดดูหัดอะไรนี่ใจจะวางเร็วขึ้นเี็วขึ้นจะเครียดน้อยลงความสุขเกิดทันทีละ่ะท่านถึงบอกว่าทำแล้วมันมีความสุขอยู่ในปัจจุบันทำแล้วก็เกิดการรู้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงบางคนทำไปจิตสงบรวมเข้ามาอีกได้ของเล่นทางจิตใจก็มีบางคนแต่บางคนก็ตัด เข้ามักลไปเฉยๆก็มีนั้นอยู่ที่รู้สึกตัวได้บ่อยๆก็สบายแต่บางครั้งถ้าเจออารมณ์แดงๆก็ถูกดูดไปห้ามไม่ได้เหมือนกันนี่ถ้าเราฝึกมากเข้ามากเข้านี่แรงดูดของอารมณ์มันน้อยลงจิตมันฉลาดขึ้นมันคล้ายๆมันถอยห่างอกอกจากโลกมากขึ้นมากขึ้นแต่เดิมใจเรากับโลกคุกกันเป็นก้อนเดียวฝึกแล้วมันค่อยถอดออกมาก เมือนก็เราอยู่ห่างขึ้นที่แม่มมองเห็นใช่ไหมอารมณ์ต่งตางๆมันมันอยู่ห่างออกไปห่างออกไปแรงดึงดูดมันมันขาดออกจากกันต่างคนต่างอยู่เละกอ๋อเราถ้ามันเคยเกิดแล้วเราจำได้ เดีนี้เราคม่ดเมตัวใหม่ที่ม่เการ่รู้ไอความกความชาเียือ่ีว่าเราเจอไอี่นั้นซ้กันก็เลยไม่ต้องหมดแล้วมันเป็นิ่ที่เลยที่จริงก็คือเราเรามีครบทุกตัวเพราะว่าเราอยังละกิเลสไม่ได้ดั้เราเรายังมีครบทุกตัวนี่เพียงแต่ตัวไหนแต่ละช่วงมันเด่นขึ้นมา อย่างบางคนบอกว่าฉันไม่เคยโกรธใครเลยไม่อิจฉาตาร้อนไม่เคยอาฆาตพยาบาทใครความจริงมันมีแต่ไม่เห็นมันไม่ใช่ไม่มีเหมือนอย่างสุสีไทยเฮาสุสีไทยเฮาบอกฉันไม่เคยอาฆาตใครเลยกพราโกรธใครคนนั้นตายแล้วไม่ได้อาฆาตเป็นคนดีฟังแล้วดี <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไม่ขาดของมันเลยเพราะว่าความปรุงแต่งนะี่เกิดจากความไม่รู้ความหลงอวิชชาทําให้เกิดความปรุงแต่งพอรู้ทันความปรุงแต่งก็ขาดเมือนเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเลยเขาขาดเขาเองเพราะจิตไม่ไปหลงปรุงแต่งนี่พอมันขาดเร็วขึ้นเร็วขึ้นวันหนึ่งเนี่ยจิตโค้นจากความปรุงแต่งขณะจิตเดียวเท่านั้นเราจะเห็นความไม่ปรุงแต่งจะเห็นนิพพาน คือเราถ้าเราจเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเราวัดผลได้ด้วยตัวเองเนื่อที่ว่าปัจจตางเวทิตัาโพวินยูธิรู้ด้วยตนเองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ชีวิตติดแตงเรามันคล้ายๆเรามีที่พึ่งมากขึ้นแต่เดิมเราล่อนเล่ไปแล้วแต่อารมณ์มันจะซัดแล้วแต่คลื่นจะซัดไปเดี๋ยวนี้มันเริ่มรู้จักรู้ทิศทางว่าฝั่งอยู่ทางนี้นะบางวันบูกคลื่นซัดห่างฝั่งออกมาก็มี แต่ก็ยังตัดเข้าฝังได้อีกเราจะรู้มีทิศทางมีที่พึ่งของเราเองนี่นมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วปฏิบัติไปแล้วก็เวลาเรานึกย้อนหลังเนี่ยมันจะอิ่มใจสมมติว่าชาตินี้เรายังไม่มัรรู้มรรคผลอ่างเงี้ยแต่เรเวลาเรานึกย้อนถึงการปฏิบัติถึงอไนี่ปิตามันอิ่ม มันก็ปลอดภัยเป็นไงเก๋ทำไมรูกมันเยอะนะกักแต่อ้าวส่งกันบ้าน มาวัด น, นี้ก็ถูกตวงกันบ้านนะบอกมาวัด น, นี้ก็ถูกตวงกันบ้านแหละโอ้ยปกติเป็นอย่างนี้เหรอเรองช่วงนี้ผมจะเละเฮ้ได้เงินกลายเป็นเละเป็นปกติอืม <c oughs> ระวังเด็กๆเขาแสงนะเอาเรียนมานานละทีแรกเจอเขาในเน็ตเขียนอีเมลมาคุยโอ้ยคนนี้สงสัยจะปลาอริยะชั้นสูงถึงบอกว่าเขียนจดหมายมาถามนี่เชื่อถือไม่ได้บางคนเขียนเก่งเขียนเก่งจริงๆ เห็นทีแรกตกใจฮะใช่เหรอคนนี้เหรอวันนี้ทำไมพ่อปล่อยมาโยจนลูกเต็มบ้านแล้วยังต้องคอยหลบพ่ออีกฮะ คิดมากเนี่ยพอไม่ทากันบ้านก็ใช้วิธีไปอ่านอ่านมาแล้วมาถามว่ามันมีข้อไหนก็กายนอกกายในกายนอกถ้าเกิดอะไรอย่างนั้าก็ง่ายเลยล่ะจิตก็พิจารณาการคำนได้ถ้ารู้จักนอกในอีกชนิดหนึ่ง น, นะคือทําเมื่อไรอ่พูดยากจัง คือถ้าเกเคยเห็นตัววิญญาณจิตเป็นจิตชนิดหนึ่งเรื่องวิญญาณจิต